อตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามด้วยนะวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องรากเก้าของอวุโสนครากรากเก้าของอวุโสนี่ก็หมายความว่าถ้ารากเก้าของอวุโลมันยังมีอยู่เพียงใดสวรรค์ก็ไปยากอมตะโลกก็ไปยาก นี่ผ่านก็ไ ป, ไปยากแล้วก็แถมกลับมาเป็นมนุษย์ได้ยากโดยเจนเขาเปดาษผู้ตุโบริษาณถ้าจะปฏิบัติอะไรก็ตามขอให้หัวนคิดเรืงรักเงาของความชั่วสามราการอโง่สนี่แปลว่าความชั่วแปลว่าคำจริงอโง่สนนี่ก็แปลไม่ฉลาดไม่ฉลาดมันกิดโง่งโง่มันก็เลว รากล้าที่เราจะพึงตัดให้เข้าถึงสวรรค์ก็ดีถึงพรมโลกคนดีและว่าถึงวันิพานคนดีมีสามอย่างเท่านั้นดนหนึ่งโลภะความโลภสองโทสะความโกรธสามโมหะความหลงมีอยู่เท่านี้เอง กิเลสที่เราจะพึงตัดจริงๆนะตัดอยู่สามตัวอต่นี้นะว่าทา ง, งด้านธรรมะที่เรียนพึงเข้าใจถ้าเราสามารถตัดกิเลสสามาตัวนี้ได้อารมณ์ของเราก็เข้าถึงพนิพพานแต่ยังไม่สามารถจะตัดกิเลสสามาราการนี้ได้เราก็เข้านิพพานไม่ได้สําหรับโลภะความโลภ ก, ก็จะแบ่งไป็สองชั้นด้วยกัน ขั้นแรกก็ได้แก่การโลกอย่างได้ทรัพย์สมบัติของบุคนลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมอันนี้ต้องถือว่าโดยไม่ชอบธรรมนะแต่คำว่าราหาเจนีความสุจริตไอสสัมมาชีวะอย่างนี้ท่านไม่ถือเป็นความโลกอย่างรนักการค้ามีทนสิบบาท ทำด้วยความฉลาด ไ, ดไม่คดใไม่โกงเขามีกำไรตามประเพณีไม่ผิดระเบียบไม่ผิดกฎหมายสะสมตัวขึ้นมาชั่งล้านบาทอย่างนี้ท่านไม่เรียกว่าโลกจะเรียกว่าสัมมาชีวะชาวนามีที่ดินน้อยทำแล้วพยายามรู้จกักการใช้จอยใช้ซอยรู้จักเก็บหอมรอมริค สะสมเงินที่เหลือการเลกันน้อยจรงทั้งมีที่เป็นดินมากในการซื้อเขาอย่างนี้ไม่เรียกว่าความโลภเป็นสมมาทิวะเหมือนกันนี่ยกเป็นตัวอย่างนี่จุดนี้สำหรับปูะชชนคนธรรมดาเนะี่ยเน่งว่าถ้าจิตเราเก้าเขมาสู่ความเป็นพระอริยเจ้าถ้าถึงพระอริยะเขาพิเศษจุดนี้ นั่นเป็นเพว่าเราไม่โลภขั้นต้นเสียก่อนถ้าากว่าถึงพระเรียกเจ้าขั้นเบอร์โซดาบันและขั้นสิทาคามีก็ยังอยู่ในคำว่าไม่โลภในการหากินในฟางสดจริตนี้เหมือนกันถ้าจิตก้าวเข้าสู่พระนาคามีก็เริ่มขยับเข้าไปชั้นหนึ่ง เห็นว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ น, นั้นพอควรแต่ก็ยังต้องทำมาหากินแต่ว่าจิตไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินใดๆการหากินการหาใช้ถือว่าร่างกายมันต้องการเราเป็นพ่อปานแม่บ้านจำเป็นที่จะต้องหาเพื่อหลกบกัน แต่ว่าพร้อมกันนั้นจิตก็คิดว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติมากอย่างนี้จะหาชีินอย่างเราอย่างนี้ตายมาแล้วนับไปด้วยในจิตตวงนี้ของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่างานทุกอย่างเราทำตามหน้าที่เท่านั้นมิรดหวังกายเกือกูลในการเกิดต่อไป งานทุกอย่างที่ทำผลทุกอย่างที่ได้ถือว่ามันเป็นสายของโลกร่างกายยังมีอยู่เราก็ทาแต่จิตใจที่จะเที่ยยาให้มันร่ำรวยเกินไปแล้วมันไม่มีกวานาคามเป็นนั่นว่าการตัดความโลภ ก, ก็ต้องตัดไปสองจุดไม่ใช่ว่ามีเงินน้อยก็ต้องน้อยอยู่แค่นั้นคาสันโดษ ตัดความโลภกห็หมายที่ว่าฉันโดดกินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบรทำไม่แค่ว่ากินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วไม่หากินต่อไปพระพุทธเจา้ามาสอนแบบนั้นนะวิธีตัดความโลภเขาทํำยังไงวิธีตัดความโลภก็คือมีจิตคิดให้ทานอยู่เสมอ คำว่าโลกหมายถึงว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาของคนอื่นที่มาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำอยากจะลักเขาบ้างอยากจะขโมยเขาบ้างอยากแย้โคตรแย้โกงเขาบ้างนี่โลกอวิชชาการเครื่องเลงในทรัพย์สินขาของคนอื่นอยากได้มันเป็นของตนนี่เป็นตัวโลกอันนี้ีดีตัดเขาก็ตัดด้วยการให้ทาน การให้โลภอยากได้เข้ามาแต่การให้ทานเป็นการตักออกเป็นศัตรูกันนี่เราจะตัดความโลภตัวนี้ได้หมดในจุดไหนก็พยายามเมื่อเราให้ทีแรกมันก็ให้ได้น้อยความตนีที่เหนียวมันยังมีอยู่นักเขานะักเข้าให้บ่อยๆความกินมันเกิดขึ้นแต่ว่าการให้นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าให้ถึงกับเบียดเบียนตัวเนะอย่าให้จนหมดตัว อย่าให้ถึงขั้นตนเองลำบากต้องดูก่อนว่าไอ้บ้านเราเรามีลูกกี่คนมีหลายกี่คนมีพ่อแม่หรับเปล่ามีใครกี่คนมันจำเป็นจะต้องใช้สอยเท่าไหร่คำนวณเก็บไว้ก่อนแล้วก็น่กจากนั้นเมื่อเหลือจะนั่นแ ล, แล้วก็ส่ง้อดในการให้ทานต้องให้แบบนี้นะไม่เบียดเบียนตัวเกินไป ถ้าถึงขั้เดียดเดียตัวเบดเียน ต, ตัวเกินไปนี่เราพ็จเจ้าใหม่สัเนเสริญมันจะเป็นความเดือดร้อนจำให้ดีนะตอนนี้เราก็มานั่งดูว่าความโลภมันหมดตรงไหนความโลภที่จะหมดจะกำลังใจของเรามาอยู่ตรงนี้เกิดตื่นขึ้นมาได้เช้าตรู่จนทั่งกว่าจะหลับไป ความรู้สึกทางใจว่าใครน้อยแลที่มีความทุกข์ยากลําบากเราอยากจะเกื้อกูลใครมีความสุขท่าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยไม่ใช่เรามีเท่าไหร่ก็ขอบคุณให้เท่านั้นนะหมายความว่าถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะแบ่งปันได้แบ่งไม่กินไม่ใช่ก่อนอันเหลือเราทราสามรารถจะช่วยได้เราจะช่วยแต่บางทีไม่นเกินวิสัยของเรา ที่จะช่วยได้แต่จิตคิดว่าจะช่วยยังมีอยู่แต่ก็ยังช่วยไม่ได้เพราะรอทรัพย์สินที่ท่านมีมาช่วยไม่มากแล้วก็ช่วยน้อยแต่ว่าใจที่จะช่วยมีอยู่อย่างนี้เชื่อว่าและไอจิตคิดว่าอยากได้ทรัพย์สินเขาเช่าบ้านมาเป็นเขาตนเราไม่ชอบทำไม่มีอย่างนี้ที่ว่าท่านบำเพ็ญทานบรารมีเต็ม เป็นตัวตัดความโลภได้อย่างจริงจัอย่าลืมมาตัดความโลภเรายังหากินอยู่นะอย่าเวนเรื่อว่าตัดความโลภล้วไม่หากินนี่ทําจิตให้คิดไว้อย่างนี้เป็นปกติต่อมาความโกรธความโกรธจะตัดได้ตรงไหนความโกรธจะตัดได้เพราะอาศัยเพราะมีอาหารเสรี ใจจิตของเราสงรองอารมณ์อยู่เสมอว่าเราจะเป็นมิตรดีของกฎสัตว์ทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกคือเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครอารมณ์ใจของเราตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกว่าจะหลับมีความรู้สึกอยู่สีอย่างคือหนึ่งเมตตาความรัก เห็นว่าคนแลสัตว์ที่เกิดมาในโลกทั้งหมดนี้เป็นมิตรที่ดีสําหรับเราเราไม่คิดเป็นศัตรูกับใครแต่บังเ อ, อิญคนที่เลวเขาจะเป็นศัตรูรคิดเป็นศัตรู<ม>ก็ยกให้เป็นประโยชน์ของเขาแต่สําหรับเราเองเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับเขาคิดจะเป็นมิตรดีเสมอแต่ว่าเรายังเป็นมิตร ด, ดีเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมรับความดีของเราเราก็ทรงเบีขาวางเฉยไปก่อน ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะเกืียกโ่อมเขาก็าเไม่รับก็ดีสอนกลนาความสงสารอดคิดไว้เสมอว่าคนคนดีสัตว์คนดีในโลกนี้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากมีความลาบากถ้าไม่เคืนวิสัยที่เราจะให้ไดเราจะให้ที่เราจะไเปเลียดเียนเขาให้มีความทุกข์ไม่มีในใจของเรา เราคิดอย่างเดียวจะสมเคราะห์เกือ้อกูลเขาให้มีความสุขแล้วก็อารมณ์ที่สามอารมณ์ใจก็เราไม่อิจฉาที่สิยาไครเองไครเขาได้ดีรอยยินดีกับความดีของ บ, บคุคคลนั้นและก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามความดีตามที่เขาปฏิบัติกันแล้วแล้วก็รายการที่สี่อุเบคาวางเฉย นี่หมายความว่าคนที่เรายังช่วยเขาไม่ได้เราตั้งใจเป็นมิตรแต่เขายังประกาศตนเป็นศัตรูคนประเภทนี้จะยังไงล่ะเราช่วยเขาไม่ได้ไม่ช่วยเขาไม่ได้ยังความเป็นคู่นี้ไม่ได้เราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็วางเฉยไว้ก่อนคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าจะหวังความดีของเขามีอยู่ก็มีความรู้สึกผิดรู้สึกชอบ เราจะประสานจิตเป็นมิธีดีสําหรับเขาถ้าจิตใจเขามรนดาแต่พุทธบริษัทธคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ชนะความโกรธจำไม่ดีนะการเจริญวิกรรมฐานมีความสำคัญการเจริญวิกรรมฐานนี่มีความสาคัญนี่ตงมีฐานสี่นี่ถ้าทุกคนมีพรงมีหารสี่เป็นปกติศินบริสุทธิ์ สมาธิก็ส่งตัววิปัสสนาอย่างก็จ่มไสเพราะว่าเขามีอันสี่นี้เป็นเครื่องเลี้ยงทั้งสีเลี้ยงทสมาธิเลี้ยงทังวิปัสสนามาตัววิปัสนาตัดความหลงตัวนี้ไม่ยากตัดตัวเดียวคือสกายาทิฏฐิตัดเสิกขะมาสกายาทิฏฐิที่แปลว่าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรา แต่พระพุทธเจ้าตัวร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอะไรเราก็มองหาความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้ไม่เกิดด้วยอำนาจของตัณหาคือกีเลสความชั่วของจิตมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มพังไปทุกวันทุกอันทุกวั น, ว น, วนมันเดินก็ไปหาความพัง ท่านในที่สุดมันก็สลายตัวเพราะร่างกายมันตายถ้าเราไปเจอที่อื่นเราไม่ได้แบกร่างกายไปด้วยนะเราไปหาร่างกายใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรให้ตัดจุดนี้ตัดตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เราจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันเป็นแค่บ้านเช่าชั่วคราวเท่านั้น ที่เรามีความยากความลำบากมีความโลกความโรกรธก็ร่างกายเป็นสั้งขต่ถ้าหมดร่างกายนี้เมื่อไรก็เราก็มีความสุขทำเพียงนั้นตามบัมบาลีว่าเตสังมูปสมโมโฉโขการเข้าไปสงบกายนั่นเี่ว่าเป็นสุขหมายความเราเป็นคนไม่มีร่างกายต่อไปชาตินี้มีแล้วกนแล้วกันไป แในการสร้างความรังเกียจร่างกายว่าร่างกายนี้มีสภาพน่าเกลียดโศกปรกด้วยแถมไม่ทรงตัวด้วยแ้วก็เป็นทุกข์ด้วยและทั้งในที่สุดด้วยถ้าเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นคนเราเพียงใดใจเราก็เป็ทุกข์ในเมื่อเราไม่ถือว่าร่างกายคนเราเป็นเราเป็นคนเราเราก็ไม่ถือร่างกายเราก็คนรู้สึกว่าเป็นเราเป็นคนเราไม่กัน จิตใหญ่แมว่าไม่ติดอยู่ในวัตถุ ต, ต่างๆนี่อารมณ์อ็ไม่ได้ตายย้อนกลับอีกทีการทำแบบนี้จนวระท่านอารมณ์จิตคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรมออธรมดาเออธรรมดาก็มันก็มีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทํามกลางและก็สลายตัวไปในที่สุด ในเมื่อร่างกายมันเป็นอย่างนี้เกิดเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องการความเกิดขีดขิตเจ้าตับตรงจะพาะผลิปันคิดว่ากายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีกายเกิดเป็นเอวดาก็ดีกายเกิดเป็นพงก็ดีจะไม่มีสำหรับเรามีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มี แต่เราจะไม่เกิดได้เพราอะไรย้อนไปหลังไปก้อนหนึ่งตัดความโลภเสียได้ได้วยการให้ทานสองตัดความโกรธเสียได้เรือนาสโทมิอัสีสามตัดความหลงก็ได้เห็นไม่ทีเห็นตัวายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเอาเราวันนี้คุยเท่านี้นะตอนนี้ไปขมรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านรักษารรุ่มใจใเบสมาธิ มาอจะมาพูดไปก็หวังว่าเขงคิดตามไปด้วยปัญญาก็คงจะเกิดแล้วถ้าปัญญาท่้เกิดจริงๆแล้วก็วันนี้เวลาขึ้นไปถึงพระจุลาฯคนมีก็ดีรมก็ดีวระนิพพายก็ ด, ก ด, กดีอารมณ์ของท่านใยญากแจ่มใสร่างกยายของใ ส, สเสนีห์ก็อิทนัตต่อไปในช่วงนี้ประมาณสิบนาทีเทศษพรอบรรดาท่านพตบริจัดสร้งกายให้ตรงจำลงคิตให้มัน่น กำหนดรูร้หลงไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าออนึกว่านะมะเวลาให้ใจอ่อนนึกว่าพาทะเอาเท่านี้นะนะมะพาทะให้ใจเข้าออนึกว่านะมะให้ใจออกนึกว่าพาทะยังไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งหมดสําหรับสําหรับผู้ใหม่สําหรับผู้เก่าเคยไปได้แล้วให้ตัดทิ้นใจขึ้นไปพุทธลามุนีเจดีสถาน ธรรมะในการพรุทธเจ้าเรตัดสินใจพุ่งไปทีหนึ่งคือวิมานของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นไปวิมานของเราหรือว่าไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่อยากไปวิมานของเราก็ทําใจอยู่ตรงนั้นเด่นกว่าเห็นเวลาสองคนก็ใช้ได้อตอนนี้ไปก็ขอเสนอหลาย์ฟังําแนะนาก่อนหนะ้าการปฏิบัติสัเระนิด้อย เพราะว่าการปฏิบัตินี้ถ้าพูดตามศัตว์กริยารว่าปฏิบัติเพื่อปัญญาคำว่ า, าปัญญาก็แปลความว่ารู้ยิ่งกว่ารธมธรรมดาหมายถึงว่าคนธรรมดารู้แค่นี้แต่คนได้ปัญญารู้ยาวไปกว่านั้นรู้มากกว่านั้นรู้จริงกว่านั้น เป็นการปฏิบัติแบบนี้เปงปฏิบัติให้รู้จักว่าสวรรค์มีจริงกรมมีจริงอริยการมีจริงรูปมีจริงเปรตมีจริงนิสุรกายมีจริงแดนสิสปฐิชย์ันมีจริงการเกิดแล้วการตายมีจริงแล้วรู้ตัวการมิถีปฏิบัติเพื่อให้ตายแล้วไม่เกิดอีกป็สภพที่มีสคือบริการทได้จริง นอกจากโ้แล้วก็ยังไปตัวพนันนั้นได้ด้วยดั่นั้นอันนี้จึงเรียกว่าปัญญาเรืองท่านที่ได้ปัญญาก็ควรจะผูกใจแต่ว่าขอทนาไหะลายจงอย่าประมาทในตัวเองอย่าทนองตัวพอได้แล้วก็คิดว่าตัวเราเลิศถ้ามีความประมาททนองตัวก็ดูตัวอย่างพระเทวทัต แอบเลินหน่อยเดียวก็ลงใบพาแต่ว่าก็เป็นเรื่องของท่านนั้นผู้สอนมีหน้าที่อย่างเดียวโอเดจ้าก็หนดว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาค ต, า ต, าตามีหน้าที่จะเพียงบอกบอกให้รู้ว่าการปฏิบัติอย่างนี้ไปในรกและการ น, นำลงไปสู่นรกดูนรก ดูเปรตดวสุรกายดูสสตว์เลี้ยงขนดูผลความชั่วของคนที่เกิดมาเป็นทุกข์รู้จักสวรรค์รู้จกักกมรโลกเขาจะไม่ผ่านในยังจะปล่อยตัวให้โลภะ ก, ก็ดีแล้วนี่ขนาดสมน้นิมัยรูแ้แล้วเห็นแล้วอย่าสร้างความชั่วอี่นี่สัตคนดีใครไหวคน ด, ด, ดีที่ปฏิบัติได้แล้วให้ฝึกผลให้มีการเข้าตัว จะเป็นดีก่าเราได้แล้วใครได้เราเกงแล้วนั่นจะต้องตรวจสอบในสัญญาชสิบรายคือสกายยะชิพีเรมีความสุขสุขระางกายไม่ใช่เรามันจของเราเราม่มีในได้ายรไา้กายไม่มีในเราเข็มจริงไหมความภาระได้ไหมสองวิจิปช้าเราไม่สงสัยในคาสอยโอ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามสีม่ธรรมะบรมาตนะปฏิบัติเขียนอย่างเขร่งครัดนืนสี่รูปธมกามฉันทะเราตัดกามอารมณ์ได้ขาดไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพลเพลห้าปริฆะอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจไม่ถั้งอยู่ในอารมณ์เมื่อกะทุกข์แล้วแก่็หายไปเป็การให้อภัยทายแต่บุคคลรู้สร้างความโทษเรียกว่ า, า, าทายได้ไม่ดี แล้วก็หไม่ติดใน ร, ปรูปฌานเจ็ไม่ติดอยู่ใน ร, ปรูปฌานแปดไม่มีมานะการถือตัทวทวทีตนถือว่าคนละศักดิ์ในศาสนาขีเรือกเ็เป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเก้าอุทิศจาอารมณ์ไม่โพ้ชั่นตัดตรง น, นิพพานสิบวิชาตัดชั้นท่ า, าราคาในความเกิดจมลึกเทวดาและมลมได้จิต ม, มุม่งพระนิพานเป็นอารมณ์ เป็นท่านได้แล้วจริงๆที่ท so ่ต้องตรงอยู่ในโรมศิบรการนี้ให้มีการทรงตัวถ้าที่ทรงอยู่ในโรมศิบริการนี้ทรงตัวก็ชี้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์จบแล้วทางเขาคาว่าถามไม่จบล้ะเลือกไม่อย่างหยุดได้หอยังก็ต้องตกไอย่างถ้าอรหันยังมีความขยันตดีเรโพูดตรงชันโรกดีก็ปรารถนาความอยู่เป็นสุขไม่ระมัดในชีวิตเรื่องตายในวุข ท่นหวงยังดีว่ามันจะเบื่อเกินไปไอ้ตัวเบื่อนี่มันเป็นตัวนิพพานตัวนิพทานนี่ถ้ามันเบื่อเกินไปมันก็สามารถทำลายชีวิตได้ไอารมของเราที่เข้าถึงพระหรันไล่จิตอย่างแล้วมันก็ยังรับยากมาสรุปลงมาให้จันทสรุปให้แสงคือว่าจิตมันสบาย อะไรที่มันจะเกิดขึ้นการกระรำของเรามาเฉยๆถ้าเราอยู่ดีๆจะไหว้ามันดาจิตมันยอมรับทั้งทีกฎเป็นธรรมดาว่าคนเกิดมาน่ะเพื่อถูกดาแม่พระอยากจะดา่าก็เชิญด่าสิด่าไปตามชอบใจของคนชั่วต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่กร า, าบด่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเขียง เป็นเลยขึ้นเรื่องบอกว่าพระสมณะโพลมแก่แพ้ขั้นแล้วสมเด็จข้าพระที่เจ้าจึงตัดถามว่าแพ่ตอนไหนแกตอว่าเวลาข้าด่าแกแกไม่ด่าตอบพราะว่าเจ้าอัศว์ดัดว่าประมาณละดูกรตาเราคิดว่าคนที่โกรธเราแล้วแล้วก็ด่าเราถ้าหาว่าเราโกรธเขาตอบว่าด่าตอบเราเลวของคนคนไหน ดัง น, นั้นว่าจิตใจเขาลองตองเบิกขาเฉยๆด่าก็ไม่สะเทือนถือว่าไม่ดีไม่ชโชว์การด่าได้ทั้งแสนดีจิตยอมรับเราคิดก็เป็นธรรมดาแต่ความแก่ไม่เข้ามาถึงใจเขาสบายสบายเพราะถือว่าเราเกิดมาเพื่อแก่แต่ความป่วยไข่ไม่สบายเกิดขึ้นกับร่างกายก็ถือว่าธรรมดาโรคพลิกทางร่างกายมป็นสัญญาณของโรค มันจะป่วยมันป่วยมันตามปกติแต่การรักษาโรคจะหายหรือไม่หายมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของหมอหมอคนเดียวกันหมอก็จะรักษาตางความสามารถถ้าเกินความสามารถหมอเองก็ตายมัญหายหรไม่หายผู้กุมีณาไม่ยังไงก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการห้ากระด้างกายโรคมันต้องมีอาการเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาใจก็ไม่ตก เมื่อความทรหดใจของรักของชอบใจเกิดขึ้นใจแล้ไม่สะดวกกับเพือนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาชาวโลกทั้งโลกเขาก็ตายจากกันขอมีคามหยไฟไหม้บ้านน้ําท่วมลมพัดจรพลมันแล้วก็นคนตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่เป็นของผิดธรรมด า, มานนเมื่อเรื่องนี้เกิดการกานเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราที่ก็กบฏศพ หยุดเฉเฉยเพื่ธรรมดาเป็อย่างนี้อ่ะอยากจะตายก็ตายถึงเวลาเราก็ตายเขาก็ตายคอามไม่ยัหายไปแล้วหายก็หายไปว่าหากันใหม่ถ้าธรรมยังไม่หายเราก็ระมัระวังการตาไว้เพื่อความไม่ประมาทจะได้ไม่ําบากในการแสวงหาใหม่แต่ความตายเข้ามาถึงตัวเรากที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดา แล้วมีความรู้สึว่าขันท่าทีเร็วอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปเมื่อคนจากขันท่านี้ข้ามไปแล้วขันท่าต่อไปไม่มีสำหรับเราเราไม่พึงจะชนาะดนมนุษย์เราไม่พึงชน า, นนาไปาสวรรค์เราไม่ต้องการเป็นพรหมเราต้องการเป็นผาดใจก็ไม่สุข ใจบริทธวยกลับมานูอีกทีหนึ่งควาผนิกพันเราจะไปได้ไหมับนิดตัวไหนไฟตัวตัวหนามเป็นกางเออหน้าในช้าก็จะใส่หน้าสงสารนี่ต้องเลยเขยิบขยิบเป็นนายาสานไม่โกลนแทนที่จะโกรธจิตก็ยิ้มได้ใจบุ มองดูร่างกายของเราร่างกายเรากับคนอนว่าตัวธาตุอย่างไรธาตุมันจะหลายตัวจากกันไปแล้วความรู้สึกว่าใจเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดามดเพราะนี่ธรรมดาเขามันต้องเป็นอย่างนี้มันจะตายก็ตายตายก็เลิกกันให้ร่างกายที่เน่าเปื่อยเป็นอย่างนี้ไม่มีสําหรับเราก็มไม่ใช่้องมีจะมีร่างกายเพราะเรามีจินเลย มีความรักในโลกเสียงกินรสตัดสัมผัสโลกสวยเสียงกรอกลิ่นหอมรสร่อยสัมผัสสวางเต็มนี่เราเห็นเลยที่อีกจุดหนึ่งที่เราเกิดเรามีร่างกายว่าใส่ความในโลกดีใจในสัตว์ไอ้เกิดได้เพราะใส่ความโปรดความมีบาทจ้าด้าเจ้าตาแกเกิดได้เพราะรูว่านั่นเป็นเรานี่คือของเรา เวลานี้ร่างกายที่ตัณหาสร้างขึ้นมันจะตังค์เพราช่างมันเราไว่ต้องการนี้ส่วนที่เราต้องการคือเตีสังหูปส ม, มทุทโขโคตีพระพุทธเจ้าจนกรั่ว่ากายเข้าไปสงบกายนั่นเที่ยวเป็นสุขหมายความไม่มีร่างกายอย่างนี้เราไม่เกิอในไบยภูมิเราไม่ต้องการเทวดาลัยเราต้องการโทมอารมณ์จับผลิภัวฑ์เป็นอารมณ์ โดยเฉพาะใหญ่นี่ยมท่านที่ได้มนโนยิ่งเยี่นแล้ววันหนึ่งควรจะขึ้นปฏิพภาณหลายๆครั้งให้จิตเป็นปกให้เวลาไม่ทำให้นัน่งขัดสมาธินั่งธรรมดาธรรมดากายสบายสบายทำงานอยู่มือทํางานใจฝ่าจิติมิทรานมือก็ทํางา น, าา น, า น, างานได้เป็นปกติอย่างนี้ทำเรื่เกลราตัวจะมีความสกใจจะมีความ เป็นอนมามาติธีแนะนำก็แนะนวาวตอนนี้นะแถ้าคนที่มีความย่อมไก็คือเพราการภาวนาการภาวนาก็ไม่เสืนตัวไปไหนให้อยู่ที่เคยก็เรียกํ า, ว, าว่าภาวนาวาันละมาปฏะแต่คนที่ฝึกปรือภาวนาอย่างอื่นมาก่อนให้ขึ้นอวดในก่อนจึงใจสบายถ้า ต, ต่อด้วยน้ำมะทะท่นานาที่ได้มนโนงย่ดีแล้วก็ใช้น้ำมะปฏะเป็นปื้น ตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะให้จิตใจไปอยู่แค่ลมน้ำมันพะากับลมวิจัยเ ข, าข้าออกลมเข้าลมออกต้องรู้ด้วยนะรู้ท่หน่อยนวลรู้ลมเข้าลมออกอรูกร้คำภาวนาให้จิตมันทรงตัวเรียกว่าเลี้ยงสมาธิไว้ทรงตัวเมื่อสมาธิเ่าเลี้ยงไม่ได้ทรงตัวแล้วจิตกะทรงใจที่เวลาจะเสื่อมไปจะพดต่ตางๆก็ไม่ต้องว่าแล้วหลวง ลมใจปรับเดียวขึ้นไปตามส่วนเลยยานิจุณธรรมสีแล้วต่อนี้ไฟภนาแต่กุฏิบริสัทธ์หลายสร้างกายให้ตรงเราลองคิดให้มันกาหนดรู้ลงไม่ใจเท่าจะออกภาวนาวันธรรมภาธาเจ้าคอยจะเป็เวลาสอบสวน